สำหรับผู้ที่ได้รับยกย่องในเรื่องเพียรในทางปฏิบัติก็มีสามท่านเดียวกันหนึ่งคือท่านโสนท่านโสนโกลิวิสะองค์ที่สิบหกคองค์ที่สิบหกถ้าใครฟังพระสูตรเนี่ยเราเคยเอาพระสูตรสูตรหนึ่งมาเล่าเป็นพิสดารจากพระไตรปิฎกนะเรื่องพระโสนโกลิวิสะ พระโสนาโอลิวิสาน่ะเป็นลูกเศรษฐีฝ่าเท้ามีอะไรพิเศษมีขนอ่อนสีงามเป็นพิเศษพระเจ้าพิวิสารก็อยากทอดพระเนตรก็จะเรียกจะส่งทูตไปเรียกตัวบอกขอดูเท้าหน่อยก็น่าเบียอก็เลยทำอุบายว่าประชุมพวกมานพเพื่อปรึกษาการบางอย่าง แล้วก็ส่งทูตไปบอกให้มาประชุมกันที่พระราชวังแล้วก็สำทับว่าโตนาโกริสักต้องมาด้วยมาแล้วก็ทำเป็นทีว่าเลยขอถือโอกาสดูฝ่าเท้านี่ข้างฝ่ายแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเวลาลูกไปเนี่ยยังไงพระเจ้าบุตรินก็ต้องทอดมระเนตุเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องที่เป็นคนประหลาด ที่ใครก็อยากดูต้องอยากดูเพราะฉะนั้นเวลาลูกไปนั่งในท้องพระโรงเนะี่ยอย่านั่งเหยียดเท้านั่งในลักษณะ อ, อขัดสมาธ์ชั้นไม่ไม่ขึ้นชั้นนะ่ะขัดสมาธ์ไม่มีชั้นคือนั่ง อ, อนั่งขัดสมาธ์แล้ง่ายๆนะแบ่ท้าจะได้ไม่เป็นการน่าเกลียดแล้วก็ส่งได้เห็นก็ได้ส่งชอบพระเนี่ แล้ตอนหลังเนี่ยจากวันนั้นแหละครับเป็นเหตุทําให้โกโสนณะเนี่ยได้ได้บวชคือพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงโอวาทด้วยคติทางโลกแล้วก็ไล่ให้ไปฟังพระพุทธเจ้าเทศด้วยคติทางธรรมเมื่อไปฟังแล้วก็โซนท่านโสนะนี่ก็เลื่อมใสวบวชตอนเทศจะไม่ได้บรรลุอะไรหรอกคนอื่นก็บรรลุกันเยอะแยะแล้วท่านไม่ได้บรรลุก็มาบวชบวชแล้ว ก็บำเพ็ญความเพียรอย่างอุกฤษเดินจงกรมจนเท้าแตกเท้าแตกขนาดว่าตามเทินเดินจงกรมเนี่ยยังกาเอาสีแดงมาลมๆไว้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ก็เสด็จไปแล้วก็ถามถึงเหตุแล้วก็บอกว่าท่านทำความเพียรกล้าไปแล้วก็เลยทรงแสดงเรื่องสูตรการปรับอินสี ีิในนั้นพูดไว้พิสดานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวในชั้นประดั่งพิโดพุทพผลเพราะท่านเป็นลูกผู้ ด, ดีอย่างว่าคนอื่นเดินคงไม่อย่างเราไปเดินคงไม่แตกแต่ลูกผู้ ด, ดีเดินแล้วก็รองเท้าแตกแอบเท้าแตกนี่ได้รับจึงได้รับยกย่องเนี่ยตรงนี้ว่าเป็นผู้เลิศในทาง ความที่ใช้คําวิริยาลัมภาคือปลารกความเพียร น, นะอที่ใช้วิริยาลัมพาปลารกความเพียรหมายถึงยกย่องความเพียรที่เป็นเหตุให้บรรลุตรงนี้นะฮะความเพียรที่เป็นเหตุให้บรรลุนี่องค์หนึ่งต่อไปอีกองค์หนึ่งก็คือท่านภิกษุณีที่ชื่อว่าโสนา ภิกษุณีที่ชื่อโสนาองค์ที่เจ็ดภิกษุณีองค์ที่เจ็ดโสนาภิกษุณีเธอเป็นชาวเมืองสาวัตถีก่อนมาบวชเนี่ยมาบวชมือมีอายุแล้วแต่ยังอยู่ในวัยแข็งแรงนะก็มีลูกมากมีลูกหลายคน แล้วก็มีบาปมีอาภัพทางลูกเขาลูกไม่เคารพนับถือพึ่งพาปรึกษาอะไรไม่ได้ไม่มีใครเอาเอาแม่สักคนจะไม่ได้พูดถึงพ่อก็เลยคิดว่าเราไปบวชสักก็แล้วกันเมื่ออยู่แล้วไม่ลูกไม่เอาด้วยก็ไปบวชบวชแล้วก็ปลารบว่าเราก็อายุมากแล้วถ้าไม่รีบเร่งปฏิบัติสังขารก็จะแก่เจลาโอกาสก็จะยิ่งยาก ก็ปลารลบเนี่ยเอาเอาเรื่องความตายเนี่ยมาเป็นวิทยาลัมพะท่นถือว่าพิจารณาความตายแล้วเป็นเครื่องเร่งความเพียรยิ่งคนใกล้าตายเนี่ยมันเห็นเห็นใช่ไหมไอ่ไอ้ยังอายุน้อยๆหมดนึกถึงทําไมแยบโยนจริงนึกมันก็เห็นนะครับโดยมากงแล้วก็จะยังไม่ตายแต่พูดแหละแต่อยูมากแล้วก็นึกแล้วมันเห็นจริงเห็นจังก็เลยเร่งความเพียร ความเพลนความเพียรอย่างดีแล้วก็สมหวังได้บรรู้เป็นปลาหลหานนี่ก็เหมือนกับท่านโสนโกริวิสาเมื่อสักครูน่นี้อันนี้อีกองค์หนึ่งก็คือท่านราหุนองค์ที่ยี่สิบครับองค์ที่ยี่สิบท่านราหุนเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ใครในการศึกษา สิกขากามะสิกขากามะอย่างที่เจ้าว่าสิกขาการโมควังโนติผู้ใครในการศึกษาเป็นผู้เจริญอท่านก็พูดถึงเจริญในทางธรรมะนะแต่ว่าเราก็มาใช้ทางโลกอ พ, อพอไปได้วยกันได้ทีนี้คําว่าใครในการศึกษาศึกษาตรงเนี้ยไม่ใช่ปริยัติศึกษาในธรรมะนะหมายถึงปฏิบัติก็คือเป็นผู้ที่ใครในการปฏิบัติ เพราะนั้นท่านลาหุนเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะบวชตั้งกันเนนเนนลาหุนบวชแล้วเนี่ยครับทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านจะระยุ่มกองสายขึ้นมาตั้งอธิษฐานว่าในวันนี้ขอให้เราได้ฟังธรรมได้รับการแนะนำในธรรมจากพระศาสดาจากพระส า, าวกครูบาอาจารย์ ให้มากเหมือนกับทรายในกํำมือคือว่าขอให้รู้ทำแต่ไม่ใช่ว่ารู้แค่รู้รู้แล้วจะได้เอาไปปฏิบัติของท่านหมายถึงอย่างนั้นขอให้ได้ธรรมะปริยัตไม่ใช่เรียนสักเต่เรียนเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านราหุนนิพิจ้าทรงเทศเองเนี่เยอะซึ่งเป็นเรื่องก็โดยมากปรากฏว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาทั้งนั้นเลยที่พระราหุนเรียนน่ะ คือพูดอย่างภาษาที้กีคือพระบิดามแหละเรื่องถาดเรื่องอะไรจะอะไรนี่ลึกๆทั้งนั้นและท่านเมื่อได้ศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติของท่านอันนี้เป็นถือว่าเป็นคนขยันในทางปฏิบัติอีกรูปหนึ่งคราวนี้ที่ได้รับยกย่องในขยันในทางกิจวัตรเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งอะท่านลองดาวีิใคร องค์ที่สามสิบครัท่านอนนท่านอนุนได้รับยกย่องเยอะแต่มีอยู่ข้อหนึ่งนะฮะในห้าเนี่ยคือเพียนถามว่าเพียนตัวนี้คือเพียนอะไรงานของท่านเนี่ยไม่ใช่ขยันปฏิบัติอย่างท่านทำค์จะพุ่มปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเรื่องการบริหารช่วยรู้ใจเจ้านะท่นเยอะท่านมาทุ่มเอาตอนเจ้าบริณีพานแล้ว ประวัติขั้นตอนจะ บ, บรลูน้ะแม่ก็แย่งกันเหลือเกินในทางทฤษฎีผมก็ฟังมาด้วยวิธีนี้ก็บอกเนี่ยพระอนนท์ก็นอนจะเอนกําหนดอะไรกิริยาบทก็อธิบายเข้าไปหาเรืออ่องกริยาบทแบบอื่นก็อธิบายไปเลยไม่ไม่รู้จริงๆว่าท่านทํายังไงแน่นะในนั้นก็ไม่ได้บอกว่าท่านทำแบบไหนแต่ว่าเวลาอาจารย์กรรมฐานยกตัวอย่างท่านก็ยกตัวอย่างดึงเข้าหาแบบของตัวของตัวเอาไว้ เมื่อถึงรายละเอียดจะพูดตรงนี้ดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ว่าเพียนเนี่ยคือหนึ่งท่านเพียนทรงคือคนจำพระไตรปิฎกจำคำภีเนี่ยต้องต้องโกรดรับทราบอะไอย่างนะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นภาระนะครับเรื่องนี้นะผมเคยไปถามพระที่ท่านจำพระไตรปิฎกที่พม่าได้แล้ว ไอ้เราก็นึกโอ้โหจได้แล้วก็แล้วกันก็ขนาดนักร้องร้องเพลงยังลืมใช่ไหมละ่ะนักร้องก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยไอ้ยิงร้องเพลงไว้เป็นร้อยๆบรพันเพลงเนี่ยเขาต้องคอยไอ้เพลงที่เขาจะไปร้องคิดจะไปร้องเนี่ยก็ต้องเรียบท่องร้องอะไรไว้เลยไม่งั้นลืมครับแล้วคนที่เขียนหนังสือหนังหาไว้เนี่ยลืมนะอย่าไปนึกว่าไม่ลืมนึกว่าลองทีเราอ่านๆเข้าไปาหาห่าโน้ตเขาไม่ลืมเขาลืมครับ รวมทั้งผมด้วยเอมีคนมาถามว่าสูตรนี่ทำไมอย่างนี้ที่เขาฟังอ่ามันรรยายพระไตรปิฎกนานมาแล้วอ่ะเราก็ต้องไปเปิดดูเอ๊เปิดดูมันก็ไม่มีอะไรที่มันไปเกี่ยวอัไที่เราพูดเราคงจะยกตัวอย่างอธิบายอะไรบางอย่างแล้วเขาฟังไม่ตรงกับที่เราเจตนาจะบอกเขานะฮะก็จำเป็นจะต้องไปฟังเทปนี่ก็ยังไม่ได้ฟัง ไอเอกสารอะไรเก่าๆหนึ่งที่เราก็ลืมไปทีไปคนๆเโอ้โหเราเขียนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราเขียนเอาไปได้ยังไงอะไรนึงก็มีเราก็ก็ลืมไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ท่องใบสาธยายบ่อยๆเนี่ยลืมทีนี้เวลาท่องใาสาธั ย, ยเนี่ยเป็นภาระไหมเป็นเป็นภาระแต่ว่าคนที่เขาเจขาท่องไดเ้เขาจะมีวิธีนะอันนี้มันเป็นธรรมดา คนจำได้ก็มีวิธีจำทุกคนนะเหมือนกันหมดไอ้วิธีเหล่าเนี้ถึงจะไม่บอกว่าเป็นยังไงยังไงพอบอกแล้วก็จะเอ๋ยเหมือนกันว่าจะรัดยังไงจะจำไอจ้จุดหลักจุดกุญแจตรงไหนตรงไหนแล้วก็ท่อง ส, สั้นๆไปยานไว้ในใจเพื่อพ่อนแรงในการที่จะทรงจำนั้นท่านอานุนเนี่ยก็อย่านึกว่าท่านจำคราวเดียวแล้วไม่ต้องท่องแล้ว อีกสิบปีไปถามท่านแลวท่านจะจำได้ท่านก็ต้องมีวิธีทบทวนของท่านอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอย่างแรงนะฮะที่จะจำไว้มายุคเรานี่สะดวกหน่อยลมหายใจเราก็จำว่าอัดเป็นเทพไม่หมดเป็นหนังสือทนังหานี่จำได้ทุกตัวอักษรอยากรู้อะไรก็เปิดหนังสือดู นีน่อันหนึ่งแล้วก็ความเพียรีนอันหนึ่งก็คือเรื่องการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอะไรที่เป็นงานพุทธเจ้าท่านก็จะช่วยดูแลเอาเป็นทุลักต้องใช้ความวิริยะอุสาหะอย่างมากแต่ว่าคนที่ทำงานด้วยใจรักเนี่ยหนักก็เหมือนแม่หนักเพียรก็เหมือนไม่เพียรออกแรงมากก็เหมือนออกแรงนิดเดียวจริงไม่จริง เหมือนนิดเดียวอันนี้ก็อย่างเราก็เหมือนกันทุ่มเทยังไงไงเอบางทีอเราอาจจะทําการ น, นี้อันนี้คนเขาว่าหน้า เ, นเหนื่อยหน้าเบื่อหน่ายแต่คนที่เขาทาด้วยความรักเขาก็ไม่รู้สึกแล้วก็ยิ่งไปเรื่องของทางศาสนาเนี่ยธรรมะมันชุบเรี้ยงมันหล่อเลี้ยงจิตใจชดเชยอ่ะเป็นความเพียรที่เหมือนไม่ได้ออกแรงเสียอะไรแล้วมันกลายเป็นเพียรแล้วมันได้คุ้มทุน เหมือนคนคนปฏิบัติธรรมเนี้ยนะดูแล้วมันเหมือนไม่น่าจะรับไหวแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องได้คุ้มทุนเกินทุนไปถามเจ้าตัวอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเมื่อเอาค่าของธรรมะสมมดเราเก็บไอ้พลังสิ่งเหล่านี้มามาวัดค่าได้คงจะเห็นอุณหภูมิของความเพียงที่รุนแรงสูง ผิดกว่าธรรมดาเป็นอันมากก็สมควรจะต้องยกย่องกันจะไปยกย่องตามความรู้สึกว่าจะไม่เห็นมีอะไรอย่างคนเปลี่ยนก็พูดนะคงไม่ได้อันนี้ก็ท่าน อ, อนนลครับได้รับยกย่องาเป็นผู้มีความเพียรในข้อนะนะั้นหมายถึงเพียรในกิจวัตรเอาล่ะ มาในส่วนของสติอินซีตัวที่สามสติที่ได้รับยกย่องเป็นผู้มีสตินะมีมีแค่สองรูปนะคือรูปหนึ่งนะ่ะมีสติในอินซีหกอินซีหกหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอินเทียสังวร น, นั่นเองครับก็คือพระองค์ที่สามสิบเจ็ด องศาสิบเจ็ดครั บ, รบได้รับยกย่องด้วยอำนาจของสตินซีตรงนี้องศาสิบเจ็ดคือท่านนันทะและท่านนันทะนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับท่านนันทะที่เราคุ้นเคยและได้เคยพูดถึงมาแล้วบ่อยครั้งเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้านั่นเองท่านนันทะนั้น ก็มาบวช ด, ด้วยความจําใจไม่ได้ดวดบวชด้วยตา จ, จําใจเกรงใจนีงใจชาบวช ด, ด้วยความเกรงใจเออมีเหมือนกันบวชด้วยความเกรงใจใช่ไหมเข้าวัดด้วยความเกรงใจมีไหมไม่เกรงใจพอดีก็เกรงจะได้ดีก็มีเพราะฉะนั้นอคนถ้าคนชักนําคนไปสู่ความดีเนี่ยจะต้องพยายามทําความเกรงใจให้เป็นประโยชน์แก่เขาให้มาก แต่ว่าถ้าไอ้คนมันต้องการจะมาปะทุสสลายด้วยทรัพย์สินด้วยเอาเปรียบแล้วมันก็ใช้ความเกรงใจในทางําร้ายบางทีมันเอาไอ้ไอ้สติ๊กเกอร์อะไรมาเที่ยวยื่นๆไปเจอคนเกรงใจก็ต้องซื้อมันเลยเนี่ยแล้วพวกนี้มันชอบชอบลูกค้าประเภทเกรงใจแต่พวกไม่ดีก็มันก็คิดถึงมันไปอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้และท่านใช้ความเกรงใจนั้นให้คุ้มกับที่เขาเกรงใจ เขาลบความเกรงใจของเขาอันนี้คงต้องพูดว่าแหมเกรงใจที่คุณเกรงใจเลยขอสนองต่อความเกรงใจของคุณจะให้ผมใจเ อ, อเลยทําให้เป็นปลาลานไปเลยโดยการเ อ, อพาไปดูนางฟ้างไงครับเพื่อได้บรรลุเป็นปลาลานเพราะปฏิบัติเพื่อที่จะได้นางฟ้า นี่เจ้าชายนัทนท h a พระนันทะจึงได้รับทีนี้ท่านเนี่ยความจริงก่อนตอนบวชเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรหรอกครับตอนบวชเข้ามานะแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าทรงรับสัญญาให้สัญญาว่าให้ปฏิบัติทำให้ได้ผลแล้วจะให้นางฟ้าเป็นรางวัล ก็ปฏิบัติธรรมสํารวมตั้งแต่บัตรนั่นมาบรรลุเป็นพระอาานแล้วก็กลายเป็นคนสํารวมเลยครับนี่พูดคนที่จะเรียกว่ายังไงดีล่ะชอบเรื่องออในทางบบญจกรรมคุณเนี่ยก็เป็นลักษณะคนไม่สํารวมนะพอบรรลุแล้วกลายเป็นสํารวมไปได้สิ่งเหล่านั้นคงจะเป็น บทเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดสังวรเกิดความคิดเกิดการเห็นโทษอะไรต่าไรของท่านบุคลิกเล็กกลับตลบปัดเลยต่อไปอีกขั้นหนึ่งที่เป็นผู้มีสตได้รับยกย่องว่ามีสติเนี่ยแต่หมายถึงสติในธรรมวินยัย เมื่อกี้สติในทางสัมรวมระวังยินรียแต่อท่านผู้นี้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีสติคือสติในธรรมวินยัยก็คือท่าน อ, อ, น, อนนตนะอีกตำแหน่งหนึ่งท่าน อ, อนอนมีอยู่ข้อเหน็นะหใช้คําว่าเป็นผู้เลิศในทางสติสติที่ยกย่องท่าน อ, อนอนนั้นหมายถึงความจำไอ้ความจําที่ว่าเนี่ยบังเอิญมามาพ่วงเนื่องถึงสติ เพราะว่าคนที่จำอะไรได้เนี่ยจำธรรมวินัยได้คือผู้ที่สามารถจะระลึกถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วได้ก็เอาความว่าเป็นผู้ที่มีความจำดีมีความจำดีเราะผู้มีสติดีสติเนี่เป็นตัวเก็บจำเพราะนั้นคนที่จะเดินสติเนี่ยมาเกี่ยจะเป็นคนที่มีความจำดี่ะเราก็ไม่ต้องดูไกลๆแล้วไอ้เรื่องเก่าๆลืมไปแล้วยังไปขุดคุยมาจำเลยมานึกได้เลยใช่ไหใช่ไม่ใช่สติมันช่วย ทำให้เรานึกอะไรแต่ไรได้ทำอะไรด้วยสติก็จะไม่ลืมครับมันจะทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำไว้เมื่อนา น, นเมื่อนา น, นได้ถ้าเหลอสติก็จะลืมจะลืมอย่างเช่นถามวาเมื่อเช้ากินข้าวกี่คำเนี่ยลองลืม รอหลไรก็ไม่มีสติแต่ไปถามคนเจริญสติเนี่ยเขาจะจําได้เลยถึงแยะตอนนั้นเขาจะไม่ได้นับเนี่ยนะแต่เขาระลึกได้เลยเพราะเขาเขาเคี้ยวเขากลืนยังไงจะระลึกลําปฏิประตอนสติมันจะเป็นตัวพาเชื่อมไปถึงตอนนั้นอต่อไปในเรื่องเรื่องสติมีแค่นี้ครับต่อไปสมาธิ ได้รับยกย่องโดยอำนาจของสมาธินีมีสามกรณีกรณีหนึ่งคือฌานสมาธินทีที่เป็นฌานเอาว่าตัวอย่างเลยคือพระองค์ที่สิบห้ากับภิกษุณีองค์ที่หกท่านกังขาเรวตะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ยินดีในฌานพระนางนันทาภิกษุณีได้รับยกย่องอย่างเดียวกันว่ายินดีในฌานในตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าคนละเพศพระชายกับพระหญิงท่านกังขาเรวตะคือใครทาไมจึงเรียกว่ากังขาเรวตาเรวตามีสองครับที่ปรากฏในนี้คาเรรวานิยะเรวตารูปหนึ่งกังขาเรวตะรูปหนึ่งกังขาเรวตะกังขาเนี่ยเป็นชื่อของความ สงสัยกังขาแปล ว, ว่าสงสัยไอ้สงสัยตรงนี้คือสงสัยอะไรเนื่องจากว่าท่านเลวตะรูปนี้นะ่ะเป็นคนที่เรียกว่าเมื่อบวชเนี่ยมีความหวังสูงรักธรรมสูงคือบวชแล้วก็อยากจะเคล่งคลัดศีลทุกอย่างจะปฏิบัติ ให้ได้ดีให้หมดและไม่ยอมให้อะไรหย้อนง่ายๆหายหย้อนแปลว่าอะไรไม่รู้นะไม่ยอมหย้อนเช่นว่าอของเข้ามาถวายเนี่ยอะไรท่านจะต้องคิดไอ้ ه, นี่ควรฉันหรือไม่ควรฉันของเข้ามาให้ใช้นี่ควรใช้ไม่ควรใช้คิดไปหมดเลยและอะไรที่เกิดฉันไปแล้วมาเหลือดร้อนใจไปหลังไอ้นี่เระฉันของไม่ควรฉันหรือเราใช้ของไม่ควรใช้หรือเปล่า เกิดความกลางขาจึงเมื่อตอนยังไม่บรรลุเนี่ยเกิดอุททัตจากกุคุตจะเป็นอาจินเป็นอาจินหมายความว่าเหมือนคนกลัวบาปมากๆและตัวไม่รู้จริงอนะอะไรที่ยังไม่รู้จริงเนี่ยก็เกิดความสงสัยลังเลแบบเราเองเราก็มีปัญหาที่เราก็เอ้เหลือดร้อนใจว่าเฮ้เราทําอย่างนั้นมันบาปจริงหรือเปล่า ต้องไปถามครับเราอาจจะเคยโดนใครถามหรือถา้าเคยถามใครหรือเอผมก็เคยถูกถามบ่อยๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนใจสําหรับคนที่มีคุณคีรีอตตร์ปากมากๆพอดีไปบวชไปอะไรมาแล้วยังเดือดร้อนใจเป็นทุกข์เอาเป็นอาตายมีอผมเคยมีคนที่เรียนธรรมะศรัทธาแรงๆแล้วหลุนๆผมแล้วไปบวชนี่ยแล้วก็เดือดร้อนใจหน้าไม่เป็นสุขเลยฮนะตาเป็นทุกข์ พวกเรื่องวินยัยวินัยไว้อย่างนี้บาปหรือเปล่ายังโง่อย่างนี้สาหรับคัดเลยเนี่หวังความหวังสูงมากต้องการจะไอ้สองร้อยิบเจ็ดเจ้าให้เปรี้ยเลยอะไรด่างร้อยนิดหนึ่งกับนอนไม่หลับประเภทนี้เนี่ยคของพวกทายาทท่านกังขาเลวตักทีนี้ใจท่านก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยจะส ง, ง บ, กบกับการทำความดี นี่เป็นตัวอย่างว่าคนทำความดีบางทีใจไม่เคยสงบนะบางทีเออเมื่อก่อนเราไม่มีศีลมีธรรมไม่เอาศีลธรรมไม่เห็นสงบเลยใช่ไหมโกงเขาแล้วก็นอนหลับเขายืมเขาแล้วไม่ใช้ก็นอนหลับเผาหมดเป็นหลังๆนอนหลับเดี๋ยวนี้ตกยุง ตายหนูเดียวคิดมากนอนไม่หลับนะเอ๊ะทาไมเป็นอย่างนั้นไปได้นี่เขาเรียกว่าไอ้ความดีกับความชั่วมันชู้กันแล้วก็คนนั้นยังเขาเรียกว่าอาปฏิกุสลาตามีน้อยหรือไม่มีคนที่มีอาปฏิกุสลาตาคือรู้ในความผิดเนี่ยฉลาดในความผิดแปลงง่ายฉลาดในความผิ ด, ฉ ล, ด, ดฉลาดในโทษ ก็สามารถจะวิเคราะห์และบอกตัวเองได้แล้วก็เปลื้องตัวเองได้ถ้าไม่ฉลาดแล้วก็ไม่มีเพื่อนฉลาดไม่มีเพื่อนพอจะตอบอธิบายได้ก็ค้างใจอยู่นั่นแหละบางคนห้าปีเป็นห้าปีก็มีสิบปีก็ ม, ม, มีแล้วก็เพิ่งมาหลุดอังลังหลังก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วเป็นเรื่องแปลกๆในวงการเ่านี่นะนี่ก็เราก็เลื่อมใสครับว่าเป็นคนดี เพราะนั้นตรงนี้นะถามว่าเป็นความผิดของความถูกหร้อความดีแล้วทําให้เราเป็นทุกข์บอกไม่ใช่เป็นความผิดของความผิดอีกส่วนหนึ่งเรารักดีแล้วเนื่องจากเราดีไม่พอมีความไม่ดีบางอย่างคือความไม่ฉลาดนะมันซุกปนอยู่มันก็เลยทําให้เราเดือดร้อนจัดวิธีเปลืองไม่ใช่เลิกทาความดีแต่ต้องเลิอกอะไร ต้องไปเล่นงานเล่นเล่นงานความโง่เพิ่มความฉลาดตรงนี้นะ่ะเรานะไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กอเรื่องใหญ่แต่เชื่อไหมครับว่าในพระไตรปิฎกในวงการพระสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องใหญ่จนพระเจ้าต้องเทศเรื่องนี้เป็นทุกข์เพราะความดีต้องเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลย นั้นเลยแสดงให้เห็นว่าความทุกข์ของคนดีเนี่ยมันมีมีแบบนี้เ อ, อเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรแล้วนื่องจากว่าชื่อท่านเลวตะแต่ท่านมีบุคลิกอย่างนี้ก็เรียกกังขาเรวตะเป็นอรหันต์แล้วแม้ว่าจะพ้นกังขาแล้วก็เลยยังเรียกกังขาเรวตะอยู่นั่นเอง ชื่อก็เลยมีอะไรไม่ดีติดแต่มีบังองค์นะชื่อเนี่แปลแล้วมันไม่ดีกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีชื่ออยู่ในนี้นะเดี๋ยวจะบอกคไปฟังองค์ไหนชื่อไม่ดีแล้วก็ยังเรียกอยู่ยนั่นแหละเรียกตั้งๆที่ไม่ดีแต่ก็ไม่เห็นทําให้ท่านเสียความเป็นพระาราลานหรือบรรลุทําอะไรไม่ได้ถึงจะชื่อไม่ดีนะอะเดี๋ยวพูดถึงท่านกังขาเลวตะ อ, อีกนิดหนึ่งได้รับยกย่องว่า เป็นผู้ยินดีในฌานได้ไหมองค์องค์งที่สิบห้าองค์ที่สิบห้ากังขาธิวตนะแล้วก็ภิกษุณีที่ชื่อว่านันทานันธาองค์ที่หกลูงที่หกภิกษุณีองค์ที่หก พระนางนันทาเอาพระนางนันทานี่คือใครนันทาไหนตอบว่านันทาที่พระชอบเล่าเราก็ชอบ เ, เล่าแหละคือพระนางรูปรนันทาที่เป็นอญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกสาวของพระนานางนั่นเองครับเป็นลูกสาวของพระนานางที่บวชนะเพราะว่า คนถึงเขาบวชก็หมดแล้วแม่เ็บวช แ, แล้วใครแใบวชก็เลยออกบวชโดยไม่ได้ศรัทธาแล้วครับนี่เขาเรียกว่าบวชตามเพื่อนบวชตามเพื่อนบวชตามแม่เป็นคนสวยบวชแล้วก็พกความหญิงเข้าไปในวัดด้วยเหมือนกันทุกสมัยนะพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้อุบายแสดงธรรมจนทั้งลกมานะ ละทิศแต่บรรลุเป็นโสตบันและในอยู่บรรลุเบือนพระล้านก็ไม่ต้องเรานะเอาล่ะคราวนี้มาพูดถึงสมาธิอีกส่วนคือในอในส่วนของอภิญญาเมาื่อกี้ท่านยกย่องในเชิงฌานว่ายินดีในะยินดีในฌานนะับแลว่าชอบเข้าฌานนี่ท่านอาจจะสงสัยเออแล้วพระล้านองค์อื่นไม่ชอบเข้าฌานหนระือเกลียดฌานหนระือไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดนะที่ชอบหมายถนะึงเป็นคนที่ไม่ห่างจากฌานใจค่อยจะคิดจะผูกพัน อยู่ในฌานเสมอทํานองคนชอบการบวชชอบฟังธรรมใจก็คิดหูต้องอยู่ใกล้ธรรมะเสมออะไรเงี้ยนะนั่นคือลักษณะชอบคลุกเขาเรียกว่าคลุกคลีกระทำอย่างใกล้ชิดจึงเรียกอย่างนั้นแล้วก็เนื่องจากว่าตัวท่านเองเนี่ยอดีตของท่านเนี่ยมันเหมือนเรามีกิเลสแสลงกระชานเป็นเครื่องกระตุ้นอยู่แต่อดีตอย่างท่านกังขาเรวาตาก็ร้อนใจนางรูปนันทาก็ เคยกําหนัดตัวเองในความสวยงามความงามซึ่งเป็นเรื่องอาการของคนไม่สงบด้วยกิเลสต่างตัวกันเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็เลยชอบเขาา้าฌานอย่างเราเนี่นะบางคนก็ชอบอย่างอย่างผมเนี่ยผมชอบกินใบชะพลูชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่ากินแล้วมันถูกโลกไอระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะ นั่นก็เลยเมื่อไหรเมื่อไหรก็ต้องชอบเพราะมันมีไอ้แรงกระตุ้นเก่าๆอาดีตโรหัดเรามันมันกลมกันข้าวกับใบยะพูนะเดี๋ยวนี้ก็เลยชอบชอบมากๆเห็นใบชบต้นชะพลูที่นหนเห็นแล้วก็ยังนึกชอบเห็นมันงามๆแล้วก็ชอบแล้วมีความสุขที่เห็นใบยะพลูถูกโลกถ้าไปร้านอาหารมีแกงถ้ามีแกงใบชะพลูแล้วก็ต้องสั่ง ด้วยความรู้สึกว่ากินแล้วเป็นยามันคล้ายๆใบยับรูที่ชอบเมียงคำเราชอบใบยับรูแหถ้าไม่ไม่ใบยับรูใบตรงหลังก็ไม่ใครชอบจากในนี้ก็เราอ่านแล้วก็นึกเที่ยงเอาลักษณะอย่างนี้ว่าถึงต่อไปในส่วนของปิญญาได้รับยกย่องไว้เยอะด้วยอาการต่างๆกันพระเถระองค์ ที่สามได้รับยกย่องในทางอภิญญาว่าเป็นผู้มีฤทธิ์ฤทธิ์นี่เป็นอภิญญาอย่างหนึ่งฤทธิ์น่ะเป็นความสามารถของสมาธิสามารถทางสมาธิแล้วก็พระ น, นางอุบลว น, นาเดรีนี่ได้รับยกย่องทางฝ่ายหญิงคือองค์ที่สามครับภิกษุญหญิงองค์ที่สามได้ ร, รับยกย่องเหมือนท่านโมคลานะฤทธิ์ ต่อไปพระองค์ที่ห้าได้รับยกย่องทางอาวิญาข้อตาทิพย์พระอนานุรุษ่านี่ก็ยาตหลวงพุทธเจ้าและพระเทลระองค์ที่แปดท่านปินโทละพาระทวาชะอาะท่านโทษไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านปินโทละตอนโทระเป็นภิกษุณี ภิกษุนีองค์ที่แปดครับพระท่านโทษอะได้รับยกย่องทางตาทิพย์อันนี้เทียบได้กับท่านอนุรุษแล้วก็ต่อไปท่านพระเทระองค์ที่สิบเอ็ด ท่านจุลปันถกได้รับยกย่องทางลิตรชนิดหนึ่งกิ่งหนึ่งของลิตรลิตรมีหลายสาขาอีกนะฮ ะ, อ, ะ, อ, ะองค์ที่สิเอ็ดนะได้รับยกย่องว่าไงท่านจุลปันถกเนลมิดกายมาโนโมยิทธิเนลมิดกายอื่นอีกกายหนึ่งเนลมิดกายกับจำแรงกายไม่เหมือนกัน จำแรงกายนหมายถึงทากายนี้ให้เป็น เ, เป็นวิกุปนาตที่ให้เป็นรูปลักษณะอย่างอื่นเป็นช่างเป็นอะไรก็ได้เป็นใครก็ได้เียก็จำแรงแต่ถ้าเนรมิตในหมายถึงกายนั้นยังคงอยู่แต่เนรมิตกายอื่นขึ้นมาด้วยอาศัยกายจริงเป็นเชื้อทำอย่างไรในวิสุทธิมรรคอธิบายเอาไว้พิสดารมากคือเป็นต้นแบบ ค่้ายๆเป็นต้นแบบหรือเป็นแม่พิมพ์เวลาคนก็ทําเนี่ยต้องใช้มโนภาพมโนภาพเนี่ยถ้ามโนภาพนั้นเกิดกับชาญจิตจิตสร้างมันชาญจิตทามโนภาพแล้วก็แล้วคิดจะให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เลยเป็นได้อย่างเรียกว่าไม่มีปีมีครุยเลยแต่ว่าถ้าเรามโนภาพอย่างเราเนี่ยมันต้องมีเชื้อมีแถวมีปีมีคลุยหน่อยมโนภาพว่า เออขอให้บ้านของเราหลังนี้จงเป็นทองเนี่ยสร้างมโนภาพได้ทีนี้จะให้มันเป็นอย่างนั้นต้องต้องเอาเอาเอ า, เอาสีทองมาทาอย่างนั้นเอาอย่างพอเป็นได้ก็ต้องออกแรงกันเยอะแต่ว่าถ้าคนมีฤทธิ์เนี่ยเขาทำมโนภาพออกแบบแบบแปลนในใจว่าให้มีลักษณะอย่างนี้มีสีอย่างนี้หันไปทางทิศนั้นมีทาได้เลยเอาละอันนี้อีกองหนึ่ง พระเถระองค์ที่สามสิบสี่ชื่อว่าพระโสภสามสิบสี่ครับท่านโสภะอดีตรามชาวเมืองสาวัตถีนี่ได้พิญญาข้อบุเพนิวาสารุสติละลึกชาติก่อนได้ได้รับยกย่องตรงนี้ตรงนี้นะผมก็พูด น, นิดนึงว่าคนพระลึก คนหรือโยมเนี่ยที่ได้รับยกย่องด้วยคุณสมบัติอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีไม่ได้แปลว่าคนอื่นสู้ไม่ได้หรอกนะบางทีตัวเองก็ยังมีคนที่แข่งกว่าแต่ว่าเมื่อได้รับยกย่องเนี่ยคนนี้เนี่ยเราเทียบเหมือนกับคนกินตําแหน่งบางตําแหน่งเนี่ยอคนบางคนเขาเก่งแต่เขาไม่อยากได้ตําแหน่งหรอกใช่ไหมแต่คนบางคนเนี่ยก็ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าได้รับสถาปนาไว้ในตําแหน่งนั้นอันนี้ก็มีเยอะแยะไป อันนี้เขเรียกว่าได้โดยบุญได้โดยบุญเป็นได้โดยบุญไม่ใช่เป็นได้โดยคุณสมบัติอตามฝาตามตัวอย่างที่เราบน่นบนกันที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันว่าไอ้ตำแหน่งนี้ทําไมคนไม่เก่งถึงมาครองกระทรวงนี้อะไรอย่างี้ก็พูดกันทุกสมัยแหละก็มาเขาพูดนันเลยมาได้บุญไม่ใช่มาได้ความสามารถทีนี้อย่างท่านเนี่ยท่านปราถนาเขาก็ได้ตําแหน่งนั้นโดยบุญแต่บางท่านเนี่ยได้โดยความสามารถได้โดยบุญด้วย ครบหมดอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเหตุผลในการ ส, ะสะรรพนาทุกๆุกกรณีท่านได้ครบตามนั้นหมดก็เรียกว่าความสามารถสมควรแก่ตาแหน่งทำมาผิจอันนี้เราบอกว่าบุญสมควรแก่ตาแหน่งนะอย่าไปร้องยี้ร้องอะไรคข อ, อย่ั้นถ้าบุญบวรแก่ตาแหน่งเป็นโดยบุญอว่าต่อไป คือท่านอาภิกษุณีองค์ที่สิบคือพระนางพัฒากปิลานีตรงนี้ต้องขอร้องอย่าเวลาเอ่ยชื่อท่านต้องออกเสียงให้ลดนะนางพัธากปิลานีคนไปเว้นว่านางพัธากปิแล้วหยุดอยู่งันนะ <c oughs> ออกวิทยุดย้วยนางพัฒากปิ <c oughs> โอเคยฟังแล้วต้องไม่ไปหยุดอยู่แค่นั้น <c oughs> แล้วก็เวลานี นางพระตากปิีลานีเป็นลูกผู้ดีชาวเมืองพาราณสีนะได้รับยกย่องเช่นเดียวกับท่านสุภิตาเป็นผู้ระลึกชาติก่อนต่อไปพระเถระองค์ที่สามสิบเก้าคือท่านพระสาคตะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทาง เตโชเตโชธาตถหมายถึงเตโชกสินหรืออาพิญญาที่ใช้เตโชกสินท่านจะเก่งมากนั้นท่านสากตะนี่แหละครับที่ไปบรรดาลไฟบรรโดนไฟต่อสู้กับสัตว์ลายต่างๆที่เราไว้ในพระิตดปิากท่านเก่งมาตั้งแต่ไม่ใช่มาได้ตอนเป็นอรหันต์นะได้มาก่อนเป็นอรหรันต์ แล้วคนก็แตกตื่นเลื่อมใสกระทั่งเอาเหล้าเลวอเลยมาถวายท่านกินเคยเมาจนชาญแตกไปหนแล้วตอนหลังก็มาทําใหม่คราวนี้เลยกลัวแต ก, แกเป็นอรหรันแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ก็ไม่แตกแล้วก็ไม่ได้กลับไปกินเหล้าอีกตอนนั้นวินัยยังไม่มีพระเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหล้าเอามาถวายก็จะร้องสัตยาไปหมดเลยเมาเลยเลยเป็นเหตุให้พระเจ้าบัญญัติห้ามพระฉันเหล้าว่า ท่านนี่แหละครับต่อไปภิกษุณีองค์ที่สิบเอ็ดพระนางพัฒากัจจานาภิกษุณีองค์ที่สิบเอ็ดนะพระนางพัฒากัจจานาเนี่ยดูแค่ตรงนี้แล้วไม่ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้ว่านางคือใครรู้ไ้ยว่านางคือใครนางพัฒากัจจานา นางคือพระนางยโสธราพิมพาแม่ของพระลาหุธนี่เป็นอาหันกันทั้งบ้านเลยเนี่ยเดียวมีลูกคนเดียวนะถ้ามีเจ็ดก็ต้องเป็นราหันเจ็ดเป็นปิมพระวิกษัตย์ผู้มีภพชาติสุดท้ายพระนางพัากัจานาภิกษุณีเนี่ยนางบวชหลังลูกชาย หลังแม่ผัวนะพูดอย่างภาษาธรรมดาคือพนางประจ บ, บดีบวดก่อนแล้วก็เจ้าหญิงนันทารูกนันทาบวดก่อนนางตามออกบวชภายหลังท น, นี้เมื่อได้บวชแล้วก็เอาใใส่ในการประพฤติทธธมอย่างดีแลครับและได้รับยกย่องพิเศษว่าเป็นผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ คำว่าบัลลุพิญยาใหญ่เนี่ยหมายถึงเมื่อได้อภิญญาแล้วเนี่ยอภิญญาบางอย่างนั้นมีข้อจํากัดแก่ภาษาวกว่าถ้าบารมีชั้นนี้ชั้นนี้อย่างการละลึกชาติเนี่ยเป็นอภิญญาที่เรียกว่าบุเปพนวาสารนิติปัญญามีข้อจํากัดแก่ภาษาวกว่าถ้าเป็นภาษาวกชั้นอัครสาวกเนี่ยจึงจะละลึกชาติได้หนึ่งอสงไขยแสนกับ ถ้าเป็นปกติสาวกเนี่ยระลึกชาติได้ไม่เกินแสนกับนะแต่ว่าพระนางเนี่ยระลึกชาติได้เท่าเทียมกับพระอาัคารสาวกถือเป็นบุญพิเศษเป็นความปรารถนาพิเศษเกินบารมีเกินขีดขั้นชั้นภูมิของฐานะความเป็นสาวก คือนางเป็นแค่ไม่ใช่อัรครสาวก น, นะพูดง่ายแต่สามารถระลึกชาติได้เท่าเทียมกับพระอัรครสาวกท่านว่าผู้ที่ระลึกชาติได้ถึงอาสงไขยแสนกลับเนี่ยในพระศาสนามีสี่ลูกเท่านั้นเองมีสี่องค์ สององค์แรกก็พระอนาคามสากวกซ้ยขวาอีกองค์หนึ่งคือพระภักุะละเถระระลึกชาติได้เยอะเท่ากับพระสารีบุตรแต่ว่าท่านไปได้รับยกย่องในส่วนอื่นนะเดี๋ยวเราพูดต่อแล้วก็พระนางหิมพานี่เรียกว่าความสามารถเกินตัว ท่านเรียกความสามารถเกินตัวในส่วนนี้ว่าบรรลุอภิญญาใหญ่เอาละอันนี้มาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งของสมาธิสมาธิเราแบ่งเป็นสามส่วนคือในส่วนจานส่วนอภิญญาส่วนที่สามหนึ่นคือในส่วนแห่งวิหารธรรมวิหารธรรมในแปลว่าทำเครื่องอยู่ทำเครื่องอยู่เป็นนิเป็นปกติ ได้รับยกย่องกรณีนี้มีสองรู ป, ร, ปรูปหนึ่งคือพระสุภูติองค์ที่สิบสามครับท่านสุภูตินั้นได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยวิหารธรรมคือความไม่มีกิเลสคือท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเวลาเทศเวลาสอน เวลาจะปลาลบเข้าสมาบัติอะไรต่ออะไรเนี่ยจะปลาลบเหตุในทางตั้งข้อลังเกียจอันนี้ละผมเทียบให้ฟังนะว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแสดงรุนแรงก็คือบอกว่าโทษยังไงแสดงในทางละมุนละโมกมาคุณยังไงแสดงรวมกันว่าคุณยังไงโทษยังไงไอเราเข้าวัดเนี่ยเราเข้าวัดเพราะว่าเราเบื่อทุกข์ กัวทุกข์อยากจะอาศัยเครื่องแก่ทุกแก่ทุกก็มีใช่ไหมฮะอยากจะทําตัวเองให้ดีก็มีอันนี้ก็แปลว่าเรารับเราปราลบของของต่ําของทางทางลบด้วยตัวเองพ้นทางลบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ปราเราก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นแต่เราเข้าวัดเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นอยากจะมีปัญญาอยากจะได้นิพพานในทางนี้นะฮะ หร อ, อยากจะช่วยศาสนาอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นเรื่องปาลารบทางดีทีนี้ท่านองค์นี้นะ่ะท่านปลาลบในทางตั้งข้อลังเกียรตกิเลสเทศก็มักจะบอกว่าโลภไม่ดีนัยโยโทสะไม่ดีนัยโยโมหะไม่ดีนัยโยยกตัวอย่างบอกนี่คนนั้นน่ะเขาไม่ดีอย่างนี้นะคนนู้นเขาก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นกิเลสอย่างนี้นะเนี่ยพูดอย่างลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพูดในทางลบ แต่การพูดในทางลบอย่างนี้น่ะพูดโดยกุศลจิตเป็นเรื่องดีไอ้พูดในทางร้ายอ่ะอย่างพูดด้วยอกุศลจิตไม่ดีอย่างที่เราตําหนิกันคนนี่พูดแต่อะไรก็เลวหมดอย่างนั้นด้วยอกุศลจิตไม่ดีแต่ทางธรรมะพูดในทางดีก็ต้องกุศลจิตพูดพูดในทางไม่ดีก็ต้องกุศลจิตพูดถึงจะพ้นความไม่ดีถึงจะได้ความดีนั้นจริงถ้าเราพูดถึงคนดีด้วยอกุศลจิตเราก็จะห่างจากความ ดีอย่างคนที่เราพูดถึงเขาดีเราก็จะยิ่งไกลท่านเป็นอย่างนี้เวลาจะเข้าสมาธิก็ปลาโลกอย่างนี้ครับความจริงท่านก็ไม่มีกิเลสแล้วนะแต่เหมือนเรื่องไอ้ความชั่วฝังใจเหลือเกินํารองว่าหายจากโลกแล้วก็ยังรู้สึกว่าระวังตัวกลัวจะเป็นโลกนั้นอีกทั้งที่อาจจะไม่เป็นอีกแล้วนะ เจอใครก็คอยบอกคอยให้เขาระวังแบบคนฟันไม่ดีตัวฟันผูทั้งปากเไปเจอใครไม่แปลงฟันอะไรเจอเด็กฟันผัวหูพ้นไม่ได้ครับเดือดร้อนต้องกขนขวายเอาใหญ่ใส่แนะนำอย่างอู้อย่างนี้กลัวจะเป็นแบบตัวทั้งที่ตัวเองก็มันไม่มีฟันใยผูแล้วใครจะผูกั็ฟันปลอมไม่เป็นไร แต่ก็ยังอดตื่นเต้นกับมันไม่ได้อา่าทีนี้อีกองค์หนึ่งที่เกี่ยวกับวิหารธรรมที่เรียกว่าอยู่เป็นปกติคือโยมหญิงคนที่สี่โยมหญิงคนที่สี่ที่ชื่อว่าพระนางสามาวดีนี่ก็เป็นไม่เห็นทีเขาเจ้าแผ่นดินนะนะพระนางสามาวดี ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเป็นวิหารธรรมคือแผ่เมตตาอยู่เสมอเป็นความถนัดเป็นความพึงใจชอบใจเป็นธรรมะใกล้ใจของท่านผู้นี้แล้วก็ทำจนเกิดปรากฏการณ์พิณิหารขึ้นดังที่ในธรรมบทได้เล่าไว้เป็นพิสดาร เอาละนี่เรื่องของสมาธิต่อไปเรื่องของปัญญาตัวที่ห้าปัญญาหรือปัญญินสี่อภาษาวกได้รับยกย่องในส่วนของปัญญาเนี่ยมากหรือเกินครับเรียกว่ามากกว่าเพื่อนลองลงมาคือสมาธิการได้รับยกย่องทางปัญญาอส่วนที่หนึ่งเนี่ย มีอยู่สององค์คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่วัดรัตนอยู่ได้แก่พระเทระองค์ที่หนึ่งกับพระเทรีองค์ที่หนึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานคือมีประสบการณ์มากอคือความที่เราจะได้ความรู้อะไรแต่อะไรในประสบการณ์มีชีวิตไปวันๆเนี่ยมันก็ได้แล้วใช่ไหมเป็นโรงเรียนชีวิตอ่ะใช่ไม่ใช่ ที่เราผ่านโลกมาแค่สมมติเราเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีอายุถึงร้อยห้าสิบปีและสัมพันธญาบริบูรณ์นะโอ้โหนั่นแหละทำเงินได้มหาศาลเลยทำไงเอาเรื่องเก่ามาเล่าหากินี่เขียนตำรับตำราอะไรก็ได้เอาประสบการณ์นะสารพัดนะมันมีไอ้เก่าๆ เ, เนี่ยเราคนรุ่นหลังก็อยากฟัง ความจริงไม่ต้องเล่าก็เราก็นับถือแล้วอายุร้อยห้าสิบนี่นะใครอยากดูคนอายุร้อยห้าสิบอเข้าผ่านบัตรค่าบ่านประตูห้าสิบาทก็รวยแล้วอยากจะถ่ายรูปด้วยอา้าวคนละร้อยค่าค่าดะมีกำิรทำไมจะไม่รวยอย่างนีอ้อันนี้ท่านก็ยกย่อง สองท่านเนี่ยทนัญญากุณทัญญกับพระนาหนางเป็นเรียกว่าเป็นหัวแถวในทางภนษาแล้วก็ทางอายุอวุโสสูงสุดต่อไปในส่วนแห่งความเป็นพระหูสูคือสระดับตรับฟังมาก ก็คือองค์ที่สามสิบท่านอนนรูปหนึ่งแล้วก็โยมหญิงคนที่สามโยมหญิงคนที่สามคือนางขุดชุดตรานี่เราก็จะเห็นว่าผู้ทรงธรรมผู้ฟังธรรมมากพระก็มีแม้อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลก็มี กีนีส่วนต่อไปครับบรรลุเร็วมีปัญญาในที่ทากิจทำให้บรรลุทำเร็วเป็นพวกขีปปาปิญญามีอยู่สองท่านท่านที่หนึ่งพระเทระองค์ยี่บเจ็ดพระพยะธารุจริยะบรรลุเร็วพูดถึงท่านบ่อยแล้วท่านองค์นี้ ท่านทารุจริยะที่ชื่อว่าพายยะเพราะว่าบ้านเกิดท่านเป็นชาวพายยะแคว้นภายยะสำหรับ อ, อีกท่านหนึ่งเป็นภิกษุณีชื่อว่านางพัฒนากุลทนเกศีหรือพัฒนากุลทนเกสาเป็นภิกษุณีองค์ที่ ที่เก้าองที่เก้านางพัฒากุนทนเกษาหรือบางทีเรียกว่ากุนทนเกษีเนี่ยนะว่าที่จริงแล้วเธอเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีนะเป็นทิดาเศรษฐีชาวเมืองราชครึกแล้วก็ตอนหลังได้ออกมาบวชเป็นปริพาชกคือเป็นคนปัญญาจริตนะเป็นคนเฉลียวฉลาดไฝ่รู้ ก็มาเรียนรู้พวกศาสตร์อะไรต่าง ๆ, ๆของพวกปลิปลาชกจนกระทั่งเป็นนักโตวาทีแล้วก็เทวท้าโตวัตีไม่มีใครสู้เนี่ยเขากลัวกันหมดจนพระสารีบุตรเนี่ยได้ไปถอนทงที่นางปักแล้วก็บอกแกเด็กว่าถ้านางถามว่าใครเป็นผู้ถอนเขาขอให้บอกว่าชื่อสารีบุตรอยู่ในวัดพระเชตวันถ้าอยากไปก็ไปหา นางก็ไปหาแล้วก็โตวาทีแพ้เลยบวชบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นปราลา น, นี่ก็เป็นเรียกว่าผู้บรรลุธรรมเร็วความจริงคนบรรลุธรรมเร็วไม่ใช่มีแค่สองนี้มีเป็นอีกามาแต่ที่ได้รับยกย่องเป็นตำแหน่งพิเศษในส่วนนี้คือสองคนนี้คราวนี้ในส่วนแห่งปฏิสัมพิธาปัญญาที่ได้รับยกย่องในเชิงปฏิสัมพิทามีสามูปครับ องที่ี่สิบสามพระวังคีสะเป็นผู้มีปฏิพานไหวแล้วก็องที่ยี่สิบเก้าทันมหากรติตานี่ได้รับทั้งยกย่องทั้งสี่เลยไปสัมิทาทั้งสี่เลยทันวังคีสาเฉพาะปฏิาปฏาพานนับมิทาแล้วก็องที่สี่สิบพระราะ เราดูท่านราธะท่านโกติตาเนี่ยเราไม่ค่อยจะคุ้นกับท่านมากนะเดี๋ยวท่านท่านราธะองค์ที่สี่สิบท่านราธะองค์นี้นะไม่ใช่ใครลวครับราธะพรามแก่นั่นเองครับที่มีครอบครัวมีลูกมีเต้าจนโตแล้วก็ เกิดมีปัญหาในครอบครัวก็ออกบวชเมื่อแก่พระศาริปุตรบวชให้นะท่านเป็นชาวราชฤกษ์แต่ปรากฏว่าบวชแล้วเนี่ย้ความชลาของท่านไม่ได้ทําให้ท่านมีปัญญาเชิงชาเชื่เชื่ชากลับเป็นผู้ที่มีปฏิพานแจ่มแจ้งคําว่าปฏิพานแจ่มแจ้งของท่านเนี่ยหมายถึงปฏิพานในการเข้าใจธรรมเวลาฟังธรรมเรื่องอะไรเนี่ยจะ ใจออกมาเป็นชิ้นเป็นฉากผัววิจิตพิสดานเลยปฏิพานในธรรมแจ่มแจ้งคือฟังเรื่องเดียวเนี่ยสามารถที่จะคิดแยกแยะง่ๆๆมุมเหตุปัจจัยเป็นฉากฉากฉากลึกซึ้งแล้วก็ไม่ใช่เข้าใจและสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยบางทีฟังเทศฟังพระกุฏิจาเทศเนี่ยจะคล้ายๆยกมือขออนุญาตว่าเรื่องนี้ได้แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์พระราชข้าพระองค์ขอ ประธานพุทธานุญาตเพือจะอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเพื่ออธิบายเรื่องนี้เองในส่วนที่ข้าพเจ้าข้าพติเจ้าเขียนแจมแจ้งพระเจ้าก็าทรงให้โอกาสอธิบายหนึ่งถือเป็นปฏิพาน์ในการฟังแล้วก็สามารถที่จะอธิบายสิ่งที่ฟังแล้วก็ได้แง่มุมขึ้นมาโดยพิจารณาได้ในทันทีด้วยส่วนท่านวังทีสระในปฏิพันธ์ของท่านจะ ดีในแง่ที่เรียกว่าแต่งบทสรนเสริญคาถาสันเสริญพระเจริท่านจะแต่งวว้เยอะเวลาไปเห็นใครเนี่ยความคิดในทางปฏิพัน์ในเรื่องสดุดีความดีออกมาเป็นลักษณะฉันทะลักได้ทันทีท่านเก่งในแง่นี้พู้ง่ายว่าเป็นปฏิพันธ์กวีที่เรียกว่าเป็นปฏิพานธ์กวีคือท่าน ที่ในปฏิพานกวีของของเรารุ่นหลังเนี่ยจะต่างกับของท่านวังกีสะหรือพระสมัยก่อนที่มีอีกหลายรูปแต่ว่าไม่ได้รับยกย่องในตรงที่ว่าถ้าเป็นปฏิพานกวีในทางธรรมะต้องเกี่ยวข้องกับจริยธรรมนะฮะเห็นคนอะไรก็จะอธิบายเป็นเชิงจริยธรรมไม่ใช่จินตนาการเพอร้อฝันคิดเลื่อยเปื่อยเพ้อฝันไปจริงบ้างไม่จริงบ้างมีประโยชน์บ้า ง, มางไม่มีประโยชน์บ้างไม่ใช่อย่างนั้น อันนี้ก็มาอาอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการยกย่องในเชิงภูมิปัญญามีอยู่สององค์คือพระสารีบุตรพระเทระองค์งที่สองนะแล้วก็พระนางเขมาอันนางเขมาชื่อก็แปล ว, ว่าปัญญาอันนี้ซึ่งเป็นพระเทะระเทเรอองค์ที่สองกันยกย่องเหมือนกันฝ่ายชายคือพระสารีบุตรฝ่ายหญิงคือพระนางเขมา ภูมิปัญญาสูงสมรรถภาพทางปัญญาสูงอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงทางปัญญาสององค์ครับพี่น้องกันท่านจุลปันทกกับท่านหมาปันทกเราไปดูท่านจุลปันทุกอีกทีหนึ่งท่านจุลปันทุกองค์ที่สิบเอ็ดได้รับยกย่องสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นส่วนริส่วนหนึ่งเป็นส่วนปัญญา ส่วนวิปัสนานะและท่านจุลปันโถกนั้นก็ในส่วนของวิปัสนาอย่างเดียวเ อ, อที่กล่าวว่าท่านมหาปันโถกฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาท่าน อ, อจุลปันโถกฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจเนี่ยคืออย่างนี้คําว่าฉลาดหมายถึงต่อวิปัสนาเอางอ่ายๆเลยนะแล้วก็ที่ว่าเปลี่ยนนี่ยหมายถึง เปลี่ยนจากสมถะมาเป็นวิปัสนาท่านจุลปันทกเนี่ยพอเข้าฌานที่เป็นรูปฌานแล้วมาต่อวิปัสนาท่านเก่งมากสามารถจะเปลี่ยนได้ท่านั้นท่านนี้วิจิตพิสดารส่วนท่านจุลปันทกนะ่เข้าฌานในส่วนแห่งรูปฌานแล้วก็ต่อวิปัสนาท่านเก่งท่านชํานาญ ก็เข้าใจว่าจะมีพระองค์อื่นที่จานานอยู่เยอะนะแต่ที่ได้รับยกย่องในสองท่านนี้เพราะว่าคนที่เข้าฌานต่อวปัสนาเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างเข้าอารูปฌานต่อวิปัสสนาเข้าอรูปฌานต่อวิปัสสนาบางคนถนัดแค่อรูปฌานแล้วต่อบางคนท่านทนถนัดไปถึงอรูปฌานอารูปฌานถึงละเอียดกว่าทีนี้คนที่ถนัดในทางอารูปฌานเนี่ยต้องเก่งไปถึงอภิญญาถึงอะไรนู่นนะทําฌานทุกอย่างแคล้วคร่องหมด ก็เป็นอันเรื่องสายปัญญาจบี่แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะกลุ่มที่หนึ่งก็จบตอนนี้นี่มาพูดถึงกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองที่ได้รับยกย่องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มอาทิพรหมาจาักร อาธิพรหมจันทร์คือสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์และคําว่าพรหมจันทร์หมายถึงการบรรลุมรรคผลอะไรที่เป็นเบื้องต้นของมรรคผลเรียกว่าอาธิพรหมจันทร์อาธิพรหมจรนท์มีหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่สําคัญในที่นี้ได้แก่สองสองอย่างครับได้แก่สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งศีลวัด อย่างที่สองคือเทศนะเทศนานี้ถือเป็นอาธิรมจรย์เหมือนกันอัน่งที่ได้เคยบอกเมื่อหลักสูตรก่อนมั้งการเทศนาถือเป็นอาธิรมจรันด้วย เ, เรามาพูดถึงศีลวัดศีลอันหนึ่งวัดอันหนึ่งที่ได้รับยกย่องในทางศีลมีสองรูปคือท่านอุบาลี รพระภิกษุองค์ที่ส5สบห้าครับเป็นผู้ทรงวิไนและคำว่าทรงวิไนเนี่ยจริงๆมันมีสองแบบที่สมบูรณ์นะคือหนึ่งทรงความรู้ในทางวิไนนี่อันหนึ่งไอ้นี่ไม่ยากครับรู้วิไนไอ้นี่ไม่ยากครับรู้วิไนใครถามมาวิไนข้อนั้นเป็นยังไงวิไนข้อนี้มีอนุบัญญัติยังไงไม่ยากนี่อีกอย่างหนึ่ง คือทรงในทางสมาทานวินัยนั้นไวในจิยาวัตคือประพฤติวินัยอย่างเราทรงความรู้เรื่องสีหน้าเ่ยไม่ยากแต่ทรงคือมีศีหน้ายากกว่าและที่สมบูรณ์เนี่ยต้องสองอย่างคู่กันเราจะมีศีหน้าอย่างสมบูรณ์โดยไม่เข้าใจสีหน้าอย่างระดับปุถุชนเนี่ยนะ